อ่านั่น่ะจิตมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติอ๋อค่ะคือจริงๆเราไปปนกันนะระหว่างมิจฉาสติกับสัมมาสติมิจฉาสติเนี่ยนั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิมลืมเนื้อลืมตัวมีโมหะมังทีนั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิมไปสบายใจมีราคะแทรกแล้วไม่เห็ น, นอย่างเนี้ยมันเป็นมิจฉาสมาธิไปหมดละถ้ามีสัมมาสมาธินั่นจะรู้สึกตัว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 ถก็ตอนที่กําลังส่งกันบ้านเนี่ยส่งไม่ได้จริงมันมีการแทรกแซงเยอะพ<ม>อไปคุยกับอีกคนหนึ่งนะคนนี้ไม่ได้จงใจละคลายความจงใจแล้วเนี่ยตรงนี้เห็นสภาวะง่ายนั้นหลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อมุ่งให้เห็นสภาวะนะนั้นบางทีคนมาใหม่ๆยังงงอย่างเรียกให้คุณร้อยแปดพูดแล้วกลับไปคุยกับคนเดิมอะไรเงี้ยหรือเมื่อกี้ก็คุณให้คุณส่งกันบ้านใช้ไหมมา จัดการคนที่นั่งสมาธิอะไรเงี้ยอันนี้เป็นวิธีการเท่านั้นนะเป็นวิธีที่จะช่วยงงบ้างอะคนใหม่ๆแต่ว่าอยู่กันไปสักพักหนึ่งก็คุ้นไปเองแหละเอาร้อยแปรู้สึกไหมจิตแอบไปคิดแล้ว<ผ>รู้สึกไหมเมื่อกี้มันคิดคิดคิดคิดรับผมพอรู้สึกบ้างครับขนะองคุณยังติดกันเพ่งอยู่นะเพ่งแรงไปครับ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 เราถือว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็แล้วกันครับผมคุณที่นั่งติดกันอ่ะคุณผู้ชายอนะอย่าเพ่งมากเพยงแรงไปคุณผู้หญิงที่ใส่แว่นตากับนมัสการค่ะรู้สึกว่าจิตใจคือเมื่อวานคุณพอใช้ได้แล้วล่ะเห็นไหมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นสภาวะค่ะ เมื่อวานยังอยู่นอกนอกอยู่อะคะ่หะหลวงพ่อบอกให้มาวาบบัดบ่อยๆวันนี้ก็คือก็เข้ามาเห็นจิตใจตัวเองมากขึ้นเออนะมันได้ที่แล้วใครรู้ไปงั้นอันนี้หนูเห็นสภาวะ <c oughs> ตัวหนึ่งหนูไม่มั่นใจเหมือนเห็นก้อนทักขคะ่ะ <c oughs> เข้ามานะเห็นทุกข์อะคะ่ะ เ, เข้ามาบีบคั้นจิตใจออนั่นแหละใจเราจริงๆนะเรายังไม่เรียกว่าเห็นทุกข์จริงหรอก <c oughs> เราเห็นว่ามันบีบคั้นแล้ทุกข์อะไรเป็นตัวบีบคั้นจิตตัณหาเป็นตัวบีบคั้นจิต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 ขึ้นมาเป็นชนชั้นสูงอย่ามุดลงใต้ดินไปออาเมื่อกี้ใครยกมือไว้นี่คนนี้คนนี้ยกนี่ยกแล้วเดี๋ยวข้าไปทางนี้กาบนมัสการหลวงพ่อค่ะจะขออนุ ญ, ญาตส่งการบ้านครั้งแรกค่ะก็ไม่ทราบว่าสภาวะธรรมที่รู้กับดูอยู่เนี้ยพอจะใช้ได้ไหมคะพอจะใช้ได้ให้ตามรู้ตามดูรู้เรื่อยๆไปน ะ, ะรู้ไปแล้ววันหนึ่งเราก็เห็นจิตเราไม่ตั้งมัน่น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 ผู้ชายนะ้นผูชายนู้ <Okay, S 1> นโอเคขอบพคุณนะคะเอาใครยกมือไว้เมื่อกี้นี้หลวงพ่องงไปหมดแล้วเดี๋ยวหนะ้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาใหม่ละลืมไปหมดละอย่าว่ากันนะแก่แล้วเดี๋ยวไม่ไม่ไปแกเองก็รู้เองอะตามในมรสการคะ่ะคือว่าเมื่อสองสามเดือนก่อนหลวงพ่อบอกว่าฟุ้งซ่านนะคะ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 กิเลสที่หยาบแทรกเข้ามาอาสวะเนี่ยนะคล้ายๆรกที่ห่อหุ้มเด็กอยู่เป็นทางผ่านเข้ามาของกิเลสบางครั้งจิตมันก็ดินน้นรนเหมือนอยากจะออกจากเปลือกออกไม่ได้นะมั <c oughs> นเป็นพระรหัตถึงเปลือกนี้ถึงจะแตกไปหกสิบสี่หกสบสี่นี่ไม่ใช่นี่ทีหลังห4สิบสี่กลับนมสัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะ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 เขเริ่มรู้ทันตัวเองว่าตื่นเต้นรู้ทันตัวเองว่าไปกดเอาไว้นะเนี่ยฝึกอย่างนี้เดี๋ยวเขาเป็นปสีน้ําเงินนู้นที่ใส่แว่นตาเนีน่ยของบิ๊กที่หลังนะบิ๊กกลุ่มเนี้แอบยกที่หลังทางนี้เขายกก่อนหลายคนเลยเอกรรมน้ำส ก, การหลวงพ่อคะ่ะเ อ, อคือมีจริงๆริมีข้อสงสัยหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้ที่นึกออกก็คือเหมือนกับว่า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 ทำนมาสัส ก, การหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นอยากถามหลวงพ่อว่าหนูต้องทําสมาธิเพิ่มไหมคะทำทำแต่ยอย่าเยอะนะเดี๋ยวติดนิ่งของคุณมันพร้อมจะติดนิ่งๆิ่งต้องระวังนิดนึงค่ ะ, คะพอรู้สึกว่าบางครั้งมันก็เหมือนรู้สึกไหม ใ, หใจเราคล่ําครวนใช่ค่ะ ใ, ใจเวลามันคล่ําครวนมันท้อแท้นะให้รู้ทันมันเข้าไปเลยนั่นแหละปฏิบัติเสร็จแล้วอ้าวพูดต่อ แล้วหลวงพ่อขอคําแนะนำค่ะนี่<อ>แน่แล้วนะ <c oughs> ไปดูใจเวลามันคล่าครว น, น<ม>อ่ะมันบ่อยนะคะหลวงพ่อให้รู้ทันมันเพราะนิสัยเราชอบคล่าครวญนะนะ <c oughs> แล้วสวดมนต์ทำสมาธิเป็นสวดมนต์ไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะได้ น, นะไม่วสวดยาวก็สวดสั้นๆพุทโธธรมโมสังโฆอะไรอย่างนี้ก็ได้สวดแล้วก็คอยรู้ทันใจไปค่ะถ้าถ้าคลําครวญก็ให้รู้ว่าคลําครวญแล้วเขาจะค่อยๆหายไปตัวนี้เป็นตัวร้ายของคุณเป็นกิเลสชี้ออน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 พักหนึ่งเนี่ยก็เลยเกิดความรู้สึกเหมือนกับ เ, เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนนะคะที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจครับแค้นใจน้อยใจอะไรย่างเงี้ยค่ะมันกลับมาแล้วก็เกิดขึ้นตลอดเวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่เงี้ยค่ะโดยที่เราก็พยายามทําตามที่หลวงพ่อเห็นไหมจิตจิตเป็นของห้ามไม่ได้ค่ะจิตจะคิดแม้จะคิดไปอดีตตั้งสิบปีก่อนก็ห้ามไม่ได้เราภาวนานะี่ย <Okay. S 2> ไม่ใช่เพื่อเอาชนะจิตนะแต่ภาวนาจนเห็นค <Okay. S 2> วามจริงว่ามันบังคับไม่ได้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 มานี้นิดหนึ่งก่อนคนที่มีผ้าพลาดเนี่ยนวัต ก, กรรมค่ะหลวงพ่ออยากทราบว่าที่ทำมาเนี่ยถูกต้องร่างหรือยังถูกนะอย่าเลิกทำนะแล้วชิมโมโหไหมใช่นั่นแหละไปดูใจที่ชิมโมโหอะ่ะนะบางครั้งตื่นมาจิตร้องเพลงได้ไม่ทราบว่าเป็นเพลงอะไรเลยเออให้ดูมันไป<ม>เวลาใจมันหงุดหงิดก็คอยรู้เอานะดูไปเรื่อยๆจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็ห ง, งุดหงิดเดี๋ยวจิตก็เฉยเย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 แค่รู้สึกเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆเราคอยรู้สึกเนาะเห็นตอนเนี้ใจเราไปคิดทัาบไหมจะไปคิดซ้อนละรู้สึกไหมแต่ไม่ยอมดึงกลับมาอย่าดึงอย่าดึงถ้าดึงเราเครียดให้รู้นะไม่ให้ดึงถ้าดึงเราเครียดเจ้าขาส่งมาข้างหน้าข้าางนวันนี้มีเด็กด้วยเอาๆก่อนก็เอานพัสการข่าวหลวงพ่อคือเอ่อ ตอนนี้ที่บ้านทักว่าหน้าตาเปลี่ยนไปอืมสวยขึ้นใจดีถึงไงไม่ร้าตาอะไรเงี้ยค่ะก็แปลกใจเหมือนกันนะไม่ทำมาหิดเท่าเดิมใช่มเปยก็พยายามตามตามดูตามมืธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงเราได้ชับพลันเลยเพราะอะไรเพราะใจเราเปลี่ยนใจเราแต่เดิมน่ะถูกกิเลสครอบงําตลอดเลยพระวพุทธเจ้าสอนเรามีสติ เรารู้ทันใจเรากิเลสไม่ครอบงํานะพอกิเลสครอบงําใจไม่ได้ใจมีความสุขเมรหน้าตาแล้วก็สดใสขึ้นมาพฤติกรรมก็เปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยทําตามกิเลสมันหมดไปคนรอบตัวจะรู้สึกแล้วไม่นานนะคนรอบรอบตัวก็จะตามมาวัดด้วยมาเป็นครอบครัวที่วัดหลวงพ่อเนี่ยดีแล้วที่ฝึกอยู่ก็พึ่งค่ะส่งมาข้างหน้าข้างหน้านะ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 ขอบพระคุณค่ะคอยรู้สึกตัวรู้จักใจลอยไหมนั่นแหละวันหนึ่งใจลอยได้กี่ครั้งเนี่ยลอยไป็หนึ่งแว็บแล้วเนี่ยสองแว็บแล้วสแล้วดูออกไหมเนี่ยหัดดูอย่างเงี้ยอ้าไปคนอื่นเดี๋ยวเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครเดี๋ยวมาทางนี้เลยมาเดี๋ยวจเอานี่ยนีเสื้อเสื้อขาว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 เซลจัดน่าเกลียดเนี่ยไปดูเรื่อยๆทีหลังมันก็เข็ดไปเองเลยแต่กว่ามันจะเข็ดสงสัยคนอื่นเขาเกลียดเราก่อนเ <laughs> อามาส่งมาข้างหน้ามาเ ม, มื่อกี้ใครยกไว้เห็นแป๊บอ้าวคุณกลับงานมัส ก, การนะครับหลวงพ่อผมเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับ <c oughs> มผมกลับไปดู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 ตื่นเต้นก็ให้มันตื่นไปครับเอาไปข้างหลังไปข้างหลังเมื่อกี้ใครยกไปโง่สองคนสามคนนะไปนั่นแหน่ยกเพิ่มมาเรื่อยๆเอาคนเนี้ยที่อยู่กลางเอาก่อนที่ใส่แว่นตาเนี่ยที่เออคนนั้นไปอีกไปอีกอกรรมนักมศการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็อยากขอคําแนะนําค่ะหลวงพ่อเคยฝึกไหมเคยไปฝึกนั่งสมาธิอยู่ค่ะ พยายามฝึกสตินะรู้สึกตัวเรื่อยๆปกติจะเป็นคนโมโหไล่อ ะ, ะอนั่นแหละภาวนา ง, ง่ายคนขี่โมโหภาวนา ง, ง่ายค่ะพวกโมโหมากบางทีปัญญามากนะเพราะโมโหววกับปัญญาอันดีควบกันมาค่ะเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะอย่าไปบังคับมันนะแล้วคุณต้องทํากรรมฐานที่สบายน ะ, ค, ะคุณอย่าไปทํากรรมฐานที่ทําให้เครียดอย่าไปบังคับตัวเองมากค่ะนะ คอยปล่อยปล่อยให้มันทำงานแล้วดูเล่นเล่นดูสบายๆนะจริตของคุณทำกรรมฐานที่จริงจังไม่ได้มันชี้โมโหค่ะขอบคุณค่ะข้างหลังเมื่อกี้คนน้นคนโ้นะเดี๋ยวเดียวสองคนนั้นที่หลังก็แล้วกันอยู่ไกลอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว น, นะหนึ่งสองสาทางน้นเห็นแล้วนะการนมัสการค่ะหลวงพ่อหลวง ม, มากที่นี่เป็นครั้งที่สองค่ะ ก็ปกตินี้ก็จะปฏิบัติตามรูปแบบของในสายของหลวงพ่อเทียนค่ะแล้วก็คือตอนนี้ก็สมาทานรักษาศินแปดมาได้ประมาณสเดือนกว่าค่ะ mm hmm. แล้วก็คือทําปฏิบัติตามรู้ตามดูกายใจไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ลองเราขยับอย่างหลวงพ่อเทียนให้หลวงพ่อดูสิวางไม้ก่อนแล้วทําไปเลยหลวงพ่อจะได้ฉันน้ํา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 ก็คือกายตอนเนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมไหลแวบ <c oughs> ไปคิดลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนต้องอย่าลืมที่หลวงพ่อเทียนสอนนะห <c oughs> ลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทา ง, งการปฏิบัติถ้าไม่ได้บอกว่าขยับมือแล้วได้ต้นทางนะท่านบอกถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทาง อย่างตอนนี้จิตคุณหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมทันทีที่เรารู้ ว, ว่าจิตหนีไปคิดเนี่ยใจเราจะตื่นขึ้นมาเนี่ได้ต้นทางแนละ้วพอตื่นขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจหลังจากนั้นนะหลวงพ่อเตียนสอนต่อ บ, บอกการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดอันนั้นเพระหลวงพ่อเตียนชํานาญดูจิตนะถ้าสายบางครูบาอาจารย์ท่านก็ดูกายรัดสั้นที่สุดนะแต่ละคนมีทางรัดสั้นของตัวเองนะไม่เหมือนกันหรอกเพราะฉนะนะนั้นขั้นแรกเลยรู้ทันก่อนว่าใจไหลไปคิด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 แล้ควควรถามพ่ออีกข้อนี้ได้ไหมครับคือความตั้งใจที่จะงดทานเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วก็เพื่อมองมีความเห็นว่าทําให้สัตว์มันตายน้อยลงนี่เป็นได้บุญหรือเปล่าครับตอบยากยากแล้วแต่นิยมก็แล้วกันคื อ, อคื อ, คอจัดตัวเองไ ม, ไม่ไม่ได้แบบว่าอยากทานบังสวรัตนะครับเพียงแต่ว่าคิดว่าถ้าทำแบบคิดแบบนี้แล้วทําแบบนี้มันจะได้บุญไหมครับก็ <K ill> อาจจะได้บุญนะแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติเลยอ๋อนะครับ คุณหลวงพ่มพอมากมากครับอย่างพระนะพระฉันอะไรพระฉันผักเหรอผักฉันมังสวิรัตใช่ไหมไม่ใช่พระฉันเนื้อสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่พระฉันอะไรพระฉันอาหารเนี่ยไปส่งไปข้างหลัง ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะไหนไหนอยู่ไหนไม่เห็น ย, ยืดยุดตัวหน่อยยุดหน่อยเอออย่างนี้ค่อยเห็นหน้ากันหน่อยไม่งั้นมันลึกลับเกินไป อ, อยังเดินอยู่ในทางธรรมน้อยอยู่นะคะปัญญายังน้อยอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่า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 ไปหารู้สึกเอานะมาทางด้านนี้ทางด้านนี้มีอีกท่านหนึ่งด้านนี้ ก, กราบนรบัตรการค่ะคืออยากจะให้หลวงพ่อท่านช่วยกรุณาแนะนําการปฏิบัติด้วยค่ะอหลวงพ่อแนะมาแต่เช้าแล้วนะได้อะไรมั่งน่ะไม่เช้ามาไม่ทันเลค่ะช่วงเช้าเหรออ้อาวสายๆด้วยหลวงพ่อก็แนะอีกแหละ <c oughs> เคยฟังซีดีไหมเคยคะ่ en, คะเห็นกิเลสได้ยังเห็นค่ะเยอะไหม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 เดี๋ยวมันสงบเองมันอดไม่ค่อยจะได้ครับมันไหยนะมาคอยามาลบกวนอย่เรื่อยๆนะครับอ๋อมันอดไม่ได้อดไม่ได้ต้องลำบากปัาจัยยานเฉดติสรมะชัญญะไม่ได้ไม่ได้โยบตั้งเป้าผิดนะโยบตั้งเป้าที่จะให้มันหายฟุ้งซ่านมุ่งจะให้หายฟุ้งซ่านมุ่งจะให้จิตสงบ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 มันเหมือนกับบางทีเราถอนมาแล้วเหมือนกับว่าเราไม่เอาจริงกับมันนะฮะเหมือนกับเราใจาบางทีมันก็ป้อแปะไปว่าก็รู้ทันน ะ, อ, ะอย่าท้อแท้จใจที่ฝึกอยู่แล้วพอใช้ได้แล้วเดี๋ยวเม <ขอ S 2> ื่อกี้ใครยกมือไว้มีไหมทางด้านนี้เนี่ยทางนี้เนี่ยทาง น, างนี้ยกมานานละเดี๋ยวด้านนี้ก่อนบางคนอยากได้ใหม่นะแล้วใม่ใหม่ไม่มาช้าพอไหม่มาแลอยากโขกหัวคนอื่นมีความดูร้ายแอบแฝง นะครับกราบน้ำระสการหลวงพ่อครับก็มาวันนี้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกความจริงก็ได้ซีดีของหลวงพ่อมาเกือบครึ่งปีแล้วแต่ยังไม่เคยเปิดดูเลยอน่าสงสารจังดูสิความสุขหายไปตั้งครึ่งปีก็ยังไงก็นับตั้งแต่วันนี้ไปก็คงจะจะไปดูแล้วก็ไปฟังจริงๆแล้วแต่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 เราจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวกิเลสมาแล้วก็หายไปมาแล้วก็หายไม่บังคับค่ะแล้วก็อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนาน้องสาวกับลูกสาวค่ะวันนี้พามาด้วยอะไรเงี้ยในลูกสาวลูกสาว <ไง S 2> เป็นฝาแฝดนะคะอ๋อคนนี้กําไรนะคือก็งั้นตอนหลังเนี่ยคือคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องไงคะแล้วเขาแบบเหมือนกับคนไม่มีสติอ่ะบางทีคุยแล้วจะทะเลาะกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะหลวก็เคยแก้ปัญหาบ้านหนึ่งนะค่ะ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 เขามีสติมีปัญญาขึ้นมาเขาก็รู้จักเลือกคบคนคือสอนเขาเสมอเลยค่ะลุงพ่ออะไรเงี้ยค่ะยังบอกเขาเลยว่าเขาเหมือนคนไม่มีสติอะทําทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ดีไม่นะดูเขามีสตินะแล้วคือพี่น้องที่บ้านทุกคนยังบอกหรือว่าเหมือนเขาแบบคือบางทีบางทีที่เขาทาผิดเขารู้แล้วว่าผิดพอผิดเนี่ยพอกลับมาจะถามเขาว่ารู้อยู่แล้วว่าททํํําาาาผิิดดดแแแลลลล้้้้้้้้วววหหหนนนนนนูไมมมมัเเเเป็รื่่่อออองงงซๆยยยยะีบบกใใต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 ผู้ใหญ่เตือนนะฮะรู้แล้วพอขึ้นตรงนี้นะเดี๋ยวก็ต้องลงตรงนี้ <laughs> <laughs> ไม่ต้องเตือนเราเราก็รู้นะ <laughs> เสร็จแล้วเราก็ไม่เห็นว่ามันจะเสียหายนะนะทั้งๆที่จริงๆพอผู้ใหญ่เตือนมากๆเราลำคาญมันเป็นธรรมชาติอะอะไรที่ถูกบังคับมากไปเขาเบื่อนะนี่มันเป็นช่องว่างนะช่องว่างเรามีความรักให้เด็กเด็กต้องการมีชีวิตของตัวเอง <Okay. S 1> <laughs>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 ไม่เห็นนะถ้ามาก็แล้วไปไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะมีอยู่บ้านนะผู้ชายภรรยาเนี่ยดุหน่อยเวลาขึ้นรถเนี่ยผู้ชายนะจะรีบเปิดซีดีหลวงพ่อเลยเหตุว mm hmm. ันหนึ่งถามเปิดแล้วแอฟังมั้งเปล่าเปล่ผมเปิดเป็นอุบาย mm hmm. <laughs> เวลาเปิดนะทุกคนที่นั่งรถเนี่ยต้องเรียบร้อยสํารวม <laughs> ไม่มีใครบ่นผมเลย mm hmm. นะเด็กคู่เนี้ย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 <c oughs> เดี๋ยวกลายเป็ น, <า>นคอสเลี้ยงลูกส่งมาด้านหน้าทางโน้นข้างหลังทางหลังก่อนนั่นยกมานานแล้วนะคือเมื่อก่อนเคยปฏิบัติ ด, ดีอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วก็รู้สติตลอดออประมาณตั้งสองสามอาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ละไม่ได้ปฏิบัติไปเนื่องจากว่าต้องทํางานทานํางานเลยแล้วพอจะกลับมาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับรู้สึกว่ามันยากขึ้นใช่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 หลวพ่อบอกตรงๆเลยนะครับอย่าไปหลงกับความคิดของเรานะคอยรู้ความรู้สึกของเราไปไปฝึกเอานะอ่ะมาทางนี้ข้างหน้ามาข้างหน้ายกไว้ยกไว้เบอร์สามสิบสามยกไว้ยาวลงเราลงแล้วมันหาย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 ผมรู้ว่าเม่อครับแต่ยังรู้ไม่ค่อยบ่อยครับไปไหนมาไม่ค่อยเห็นนะก็อยเมือไหนครับอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพมาบ่อยหน่อยครับเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนแล้วรู้สึกไหมเขาภาวนาชํานี้ชํานาญนะครับเราดูของเราบ่อยๆฟังซีดีหลวงพ่อเรื่อยๆแล้วสังเกตจิตไปเรื่อยๆนะครับดูอย่าทิ้งนะครับอามานี่หลานนี้หมดยังแล้วตอนนี้ ตอนนี้จิตมันไม่มีกําลังเพรานะงั้นฟังธรรมะบ้างมาวัดบ้างถ้ามาได้นะครับนะขอบคุณครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าครับเมื่อเช้าตอนขี่รถเข้ามาตรงนี้แล้วก็พี่ชายก็พูดว่าดีใจจังที่ถ้าแม่ยังอยู่แม่คงดีใจที่เห็นว่า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 พ่ออีกนิดแล้วไหมคะมจิตรวมนี่ต้องต้องทุกคนต้องทําได้ในเวลาที่นั่งสมาธิเปล่าคะหรือว่าเฉพาะ<ม>บางคนไ ม, ไม่จําเป็นนะรวมก็รวมไม่รวมกว็ช่างมันรวมก็คือเป็นการสงบมันรวมอยู่ในใใอารมณ์มันเดียว น, นั่นเองไม่ใช่ขาดสตินะจิตลงไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีเอกคตา น, นั่นเองอ้าวดาวตอนนี้มันพยายามกดอยู่ค่ะหลวงพ่ อ, อ, อพยายามกดมันทําไม